อินทรีใช่ไหมวิใช่ปติอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจักขุนทรีเป็นอันอินทรียก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่อินทรียที่เหลือเป็นอินทรียแต่ไม่เป็นจักขุนทรีอนุโซตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิโซตะใดเป็นอินทรีย์โซตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่โซตะที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินทรียปฏิ อินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิโสตินทรีย์เป็น อ, อินทรีย์ก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสตินทรีย์อนุคานะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิคานินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคานินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นคานินทรีย์อนุ ชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นชิวหินสีใช่ไหมวิชิวหินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชิวหินสีอนุกายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิกายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิ อินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิกายอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายอินทรีย์อนุมโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปติอินทรีย์เป็นมณินทรีย์ใช่ไหมวิมณอินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมณอินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นมนินทรีย์อนุกิจีเป็นอินทรีย์ใช่ไหม วิไม่ใช่ปฏิอินรีย์เป็นอิทธินซีย์ใช่ไหมวิอิทธินซีเป็นอินซียก็ใช่เป็นอิทธินซีก็ใช่อินซีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นอิทธินรียอนุปุริจะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินซีย์เป็นปุริสินรีย์ใช่ไหมวิปุริสินรียเป็นอินซีย์ก็ใช่เป็นปุริสินรีย์ก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสินทรียอนุชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช sure. ่ปฏิอินทรีย์เป็นชีวิตจินทรีย์ใช่ไหมวิชีวิตจินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชีวิตจินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชีวิตจินทรีย์อนุสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมวิ สุขินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสุขินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสุขินสีอนุทุกเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นทุกขินสีใช่ไหมวิทุกขินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นทุกขินสีอนุโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นสมณสินทรีย์ใช่ไหมวิโสมณสินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมณสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมณสินทรีย์อนุโทมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิโทมนัสสินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโทมนัสสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโทมนัสสินทรีย์ อนุอุเบกขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิอุเบกขาใดเป็นอินทรีย์อุเบกขานั้นเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่อุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิอินทรีย์เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมวิอุเบกขินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเบกขินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์อนุสัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ ปฏิอินทรีย์เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมวิสัจทินทรียเป็นอินซีย์ก็ใช่เป็นสัจทินรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นสัจทินรียอนุวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ ύ, ใช่ปฏิอิ น, นทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิวิริยินทรีย์เป็นอินทรียก็ใช่เป็นวิริยินทรีย์ก็ใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นวิริยินรีย์อ น, นุ สติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสติินทรีย์ใช่ไหมวิสติินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสตินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินทรีย์อนุสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิสมาธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมาธินทรีย์ก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมาธินทรีย์อนุปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปัญญินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปัญญินทรีย์อนุอนัญญาตัญญสามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีจินทรีย์ใช่ไหม วิอนัญญาตัญญสามีตินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป um ็นอนัญญาตัญญสามีตินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินสีอนุอัญญะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมวิอันยินรีย์เป็นอินทรียก็ใช่เป็นอันยินรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอันยินรีอนุ ัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ปัจจีกะร้อยสี่สิบเอ็ดอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นจักขุแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอินทรีย์ เว้นจากขูและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจากขูก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นโสตะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสตะแต่เป็นอินทรียเว้นโสตะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นภานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นภานะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นภานะแต่เป็นอินทรีย์เว้นภานะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นภานะก็ะใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นภาน อ, น Lol, อินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นชิวหาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชิวหาแต่เป็นอินทรีย์เว้นชิวหาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นชิวหาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชิวหินรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นมโนแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นมโนแต่เป็นอินทรีย์เว้นมโนและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมโนก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมณอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอิทธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอิทธิแต่เป็นอินทรีย์เว้นอิทธิและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมทีสสสสส่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธิอินทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ เว้นปุริสะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปุริสะแต่เป็นอินทรีย์เว้นปุริสะและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริสะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริสินทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นชีวิตแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นชีวิตแต่เป็นอินทรีย์เว้นชีวิตและอินทรีย์แล้ว สภาวธรรม well, ที่เหลือไม่เป็นชีวิตก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นสุขแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสุขแต่เป็นอินทรีย์เว้นสุขและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสุขก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหม วิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นทุกข์แล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นอินทรีย์เว้นทุกข์และอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นทุกข์ขีนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ เว้นโสมนัสแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโสมนัสแต่เป็นอินทรีย์เว้นโสมนัสและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสมนัสก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนัสสินรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นโทมนัสแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นโทมนัสแต่เป็นอินทรีย์ เว้นโทมานต์และอินรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นโทมนั์ก็ใช่ไม่เป็นอินรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นโทมนั์สินซีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอุเบกขาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาแต่เป็นอินรีย์เว้นอุเบกขาและอินรีย์แล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกขาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นศรัทธาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นศรัทธาแต่เป็นอินทรีย์เว้นศรัทธาและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นศรัทธาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นวิริยะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นวิริยะแต่เป็นอินทรีย์เว้นวิริยะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิริยะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นสติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสติแต่เป็นอินทรีย์เว้นสติและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสติอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ เว้นสมาธิแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสมาธิแต่เป็นอินทรีย์เว้นสมาธิและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมาธิก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธิอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นปัญญาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นปัญญาแต่เป็นอินทรีย์เว้นปัญญาและอินทรีย์แล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอนัญญาตัญญสามีติแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติแต่เป็นอินทรีย์เว้นอนัญญาตัญญสามีติและอินทรีย์แล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอัญญะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอัญญาแต่เป็นอินทรียเว้นอัญญะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ ปฏิสภาวธรรมที so <ielle> ่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญีตรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอัญญาตาวีแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอัญญาตาวีแต่เป okay. ็นอินทรีย์เว้นอัญญาตาวีและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอัญญาตาวีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรียใช่ไหม วิชัยสสุทินทรียมูลจักรวาระอนุโลมร้อยสี่สิบสองอนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิชัยปฏิอินทรีย์เป็นโสทินซีใช่ไหมวิ โสตินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสตินรียอนุจกขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นคาอินทรีย์ใช่ไหมวิคาอินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นคาอินรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นคาอินรียอนุจกขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทร <laughs> ีย <being through> <adaptation> ์เป็นช <Savior> ิวหินสีใช่ไหมวิชิวหินรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชิวหินสีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชิวหินรีอนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นกายยินทรีย์ใช่ไหมวิกายินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายอินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายินทรีย์อนุ จักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิมณีนิทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นมนินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นมณีนิทรีย์อนุจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมวิอิทธินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอิทธินทรีย์ก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอิทธิ์ศีลอนุจัคคุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นปุริสีนทรีย์ใช่ไหมวิปุริสีนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปุริสีนทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสีนทรียอนุจัคคุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิ ชีวิตินทร์สีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นชีวิตินทร์สีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์อนุจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสุขินทรีใช่ไหมวิสุขินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสุขินทรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสุขินทรีอนุจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นทุกขินทรีใช่ไหมวิทุกขินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นทุกขินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นทุกขินทรีอนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสมุนทรสินทรีย์ใช่ไหมวิสมุนทรสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมุนทรสินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมุนทรสินทรีย์อนุ จักรปุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นโทมานสินทรีย์ใช่ไหมวิโทมานสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นโทมนสินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโทมนสินทรียอนุจักรปุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช erm ่ปฏิอินทรีย์เป็นอุเบกินทรีย์ใช่ไหมวิอุเบกินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอุเบกินทรีย์ก็ใช่ สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์อนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นสัจทินรีย์ใช่ไหมวิสัจทินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสัจทินรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสัจทรีย์อนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นเวริยินทรีย์ใช่ไหมวิ วิริยินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นวิริยินทรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นวิริยินทรีย์อนุจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจตินทรีย์ใช่ไหมวิสตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสตินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสตินทรียอนุจักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นสมาทินทรีย์ใช่ไหมวิสมาทินทรีย์เป็นอิ ge, like. vocês, Morocco, นทรีย์ก็ใช่เป็นสมาธินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นสมาธินทรีย์อนุจักโผเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมวิปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปัญญินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปัญญินทรีย์อนุ จักขูเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อนุจักขู่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมวิ อัญญีสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นอัญญีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นอัญญีสีอนุจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นัญญาตาวินรียใช่ไหมวิัญญาตาวินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินรียก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยสี่สิบสามอนุ โสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิโสตะใดเป็นอินทรีย์โสตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่โสตะที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนทรีย์อนุโสตะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ โสตใดเป็นอินทรีย์โสตะนั้นเป็นโสตะก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่โสตะที่เหลือเป็นโสตะแต่ไม่เป็นอินรีย์ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้ย์144อนุคานะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนสี Lindsay, เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุพราณะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินรีใช่ไหมวิัญญาตาวินรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินรีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินสี ร้อยส่อนุชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจกักขุนทรีใช่ไหมวิจักขุนทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจกักขุนทรีอนุชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิ ัญญาตาวินสีเป็นอินรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อสี่สิหอนุกายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิกายใดเป็นอินรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินรีย์ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนศีอนุกายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิกายใดเป็นอินทรีย์กายนั้นเป็นกายก็ใช่เป็นอินทรีย์ก็ใช่กายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นอินทรีย์ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิัญญาตาวินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีร้อยสี่สิบเจ็ด อนุมโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจักขุนทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนทรีอนุมโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่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 อินทรีย์เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมวิัญญาตาวินศีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินศีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีร้อยสี่สิบเกอนุปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนศีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนศีก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุปุริสะ isa, เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ร้อยห้าสิอนุชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจักขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนศีอนุชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิัญญาตาวินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินรีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีร้ยห้าสเอด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 สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย5ร้อยห้าสิบสองอนุทุกเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบสาอนุโสมนัเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบอนุโทมนัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบห้าอนุอุเบกคาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิอุเบกคาใดเป็นอินทรีย์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 สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอินรีย์ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมวิัญญาตาวินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินสีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยห้าสหอนุสัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบเจดอนุวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ ร้ออนุสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิ้าอนุสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยหกสอนุปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยหกสออนุอนัญญาตัญญาสมีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่รยหกสองอนุอัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินรี์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินรีก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นจักขุนสีปฏิอินรีเป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมวิัญญาตาวินสีเป็นอินรีก็ใช่เป็นัญญาตาวินสีก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยหสาอนุัญญาตาวีเป็นอินรีใช่ไหม วิใช่ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมวิอัญญินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญินรียก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญินรีย ปัจญิกะร้อหกสิบสี่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นจักขุแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอินทรีย์เว้นจักขุและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม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 ร้อหหอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นคานะแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นคานะแต่เป็นอินทรีย์เว้นคาน ะ, ะและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคานะก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุญสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อหกสอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 เว้นอิถีแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอิถีแต่เป็นอินทรีย์เว้นอิถีและอินทรีย์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิถีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุญรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิถีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอิถีแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอิถีแต่เป็นอินทรีย์เว้นอิธีและอินทรีย์แล้ว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 สภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสุขก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นสุขแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นสุขแต่เป็นอินทรีย์เว้นสุขและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสุขก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิ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 เว้นอัญญาแล้วอินทรีย์ที่เหลือไม่เป็นอัญญาแต่เป็นอินทรีย์เว้นอัญญาและอินทรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นอัญญาก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยแปดสิบห้าอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นอัญญาตาวีแล้ว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 เว้นอัญญาตาวีและอินรีย์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นอัญญาตาวีก็ใช่ไม่เป็นอินทรีย์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปัญญติวารานิเทศจ